เยเลอรี่สีเหลืองก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในช่วงเวลาที่ดีที่สุดยังมีชายหนุ่มอายุราวส8บแปคนหนึ่งนามว่าทอมทีเวอร์ทอมเป็นคนขี้เกียจมากและทางานที่ฟาร์มของพ่อเฒ่าแมคโดนัลในทางเทคนิคแล้วเขาควรเป็นพนักงานที่นั่นแต่ว่าเขาเอาแต่อู้งานทั้งวันและไม่ทำอะไรเลย เขามักจะมีข้ออ้างและข้อแก้ตัวอยู่เสมอในคืนหนึ่งขณะที่ทอมกำลังเดินข้ามทุง่งเขาได้ยินเสียงบางคนร้องขึ้นช่วยด้วยช่วยฉันด้วยฉันติดอยู่นี่ใครกันเออฉันเองผู้สีเหลืองช่วยฉันด้วยเซอโอ้มีแต่เรื่อจริงๆเลยขอฉันเดินอย่างสงบไม่ได้หรือยังไงเนี่ย เสียงร้องควรครางดังขึ้นและรุนแรงขึ้นท่ามกลางความเงียบโอก้อนหินเนี่ยหินก้อนนี้มันใหญ่มากหินมันทับฉันอยู่โอเคโอเคอทดทนหน่อยนะสักหลังไปทอมเดินตามเสียงไปและไม่นาน <c oughs> ก็มาถึงก้อนหินก้อนหนึ่งที่มีแสงจันทร์สาดลงมามีคนแคะยืนอยู่ <c oughs> ทอมอ๋ทอมใจหนุ่มใจดีโปรดช่วยฉันด้วย ข้าชันติดอยู่ใต้หินนี่ได้ได้แต่ว่าหยุดรอก่อนนะพระเจ้ามันน่าราคาญมากเลยทำขยับหินอกอกมาอย่างระวังไม่นานขาของคนแครกก็เป็นอิสระโโนายนี่มันเทวดาชัดๆเลยอ่ะฉันเป็นอิสระอีกครั้งแล้วโอเคนายคนแครตอนนี้ก็ไปได้แล้วนะโอ้ฉันชื่อเยนเลอรี่สีเหลือง ถ้าไนาไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะไปแล้วแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยฉันขอได้ตอบแทนนายก่อนสำหรับความใจดีนายจะขออะไรก็ได้ที่อยากได้มาฉันจะทำให้มันเกิดขึ้นอะไรก็ได้เหรอใช่อะไรก็ได้ที่นายต้องการเลยเมียสวยทองมากมายชีวิตที่นายไม่ต้องทำงานอีกเลยเป็นยังไงล่ะฉันมีเมียแล้วเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกเพราะงานเออขอบคุณนะ แต่ว่าฉันไม่เอาดีกว่างั้นฉันมอบทองให้นายดีไหมอืมเออนายรู้ไมทีน่ น, นายพูดว่าชีวิตที่ไม่ต้องทำงานอีกเนี่ยฉันอยากจะได้สิ่งนั้นนั่นแหละได้เลยตามที่ขอพรุ่งนี้ตอนนายไปทำงานเนี่ยแค่หลับตาลงแล้วพูดว่าเยลลี่เยลลี่แยลลี่ผู้ยิ่งใหญ่ฉันจะไม่พูดอย่างนั้นแน่ ก็ได้งั้นแค่พูดเยเลรี่เย ล, ลี่แล้วความปรารถนานายก็จะเป็นจริงโอเคฉันจะไปแล้วนะบายจากนั้นเขาก็วิ่งหายไปท่ามกลางความมืดทอมเกาหัวยักไหล่แล้วก็เดินต่อไปวันต่อมาเมื่อทอมมาถึงฟาร์ุณแมคโดนั ล, ลพูดขึ้นว่าทอมเจ้านมไปทาความสะอาดห้องครัวไป ได้ครับทอมจึงไปที่ห้องครัวเมื่อเขาเปิดประตูออกมาเขาพบว่ากองจานที่ต้องทำความสะอาดหลายใบเขาตกตะลึงมากโอ้พระเจ้าต้องทำทั้งวันแน่เลยกว่าจะเสร็จนะทันใดนั้นเขาก็จำเรื่องที่เขาเจอกับเยลลี่สีเหลืองเมื่อคืนได้มาลองดูซิว่าจะได้ผลไหมเยลลี่เยลลี่ ทันทีที่เขาพูดจบน้ำจากก๊อ ก, กก็เริ่มไหลออกมาแล้วถังน้ำก็พุ่งไปรับน้ำไม่นานไม้ถูกพื้นก็เริ่มทำความสะอาดพื้นและฟองน้ำก็เริ่มทำความสะอาดเข้าของเครื่องใช้ทำประหลาดใจมากว้าวมนได้ผลจริงจริงด้วยขอบคุณมากเยเลอรี่ไม่นานห้องครัวก็สะอาดเรียบร้อยเรากับว่าไม่เคยสกรปรกมาก่อนไงคุณแม็โดนนอ ฉันจัดการได้เรียบร้อยแล้วทอมถูมือและเดินออกจากห้องครัวอย่างภาคภูมิใจเขาไปหาคุณแม็โดนัลและบอกว่างานของเขาได้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอถ้าไม่ไหวนะแน่ใจนะว่านายไม่ได้ฟันกลางวันอยู่นะงั้นเออไปดูเองสิครับได้เจ้าไปดูแน่คุณแม็กโดนัลได้ไปตรวจสอบที่ห้องครัวและประหลาดใจมากเมื่อพบว่ามันสะอาดและเรียบร้อย อาหารแสนอร่อยนักเก็ตกับเครื่องดื่มเยี่ยมเลยที่นี่ดูแวววับเยี่ยมมากทอมทั้งหมดที่นายทำเขาทำให้นายได้เป็นพนักงานดีเด่นประจำเดือนนี้ฉันภูมิใจในตัวนายขอบคุณนะครับรับคนงานอีกคนในฟาร์มที่ทำงานหนักและทุ่งเทยอย่างมากรู้สึกว่าเรื่องนี้มันแปลกแต่เขาก็เลือกที่จะเงียบและเก็บเรื่องนี้เอาไว้ดังนั้นเชา้าวันรุ่งขึ้น เมื่อทอมไปที่ห้องครัวเขาพูดคาถาวิเศษขึ้นเจลลี่เจลลี่และเช่นเดียวกับเมื่อวานพวกมันทำงานทั้งหมดด้วยตัวเองทาพอใจอย่างมากแต่เขาไม่รู้เลยว่ารอบกาลังแอบมองดูทั้งหมดผ่านหน้าต่างพระเจ้าอมเป็นพ่อบอสแ้นเนี่ยจะต้องบอกเรื่องนี้กับคุณแม็กโดนัลคุณแม็กโดนัลครับผมมีข่าวจะมาบอกคุณ แล้วล็อบก็เล่าทุกอย่างให้เขาฟังอาหารที่ผสมระหว่างสลัดกับไอศครีมนี่เป็นวินธีที่เขาทำพ่อมดไม่สมควรจะอยู่ที่นี่ไปกันเร็วสวัสดีพ่อมดฉันรู้นะว่านายทำอะไรอยู่พ่อมดเหรอเออคือผมผมอธิบายได้นะคือเรื่องมันอาจจะแปลกหน่อยอ่ะคืนนั้นตอนที่ผมไม่ต้องพูดแล้วทอม เราม่ต่อการผอมดและเวทมนในฟาร์มฉันจะอยากในคนที่ทํางานหนักไม่ใช่คนขี้เกียจและใช้เวทมนทํางานแต่ว่าแค่ใช้เวทมนต์มันก็ทํางานให้เสร็จได้เหมือนกันมันไม่น่าจะมีประเด็นอะไรนะครับถ้ามาทําให้งานเสร็จเหมือนกันไม่ประเด็นยุที่มันมายุติทำเราและคนอื่นทํางานหนักในฟาร์ม น, นี้เพื่อทําให้ครอบครัวมีกินมีใช้ นายไม่เคยทํางานอะไรเลยและกินแรงคนอื่นตลอดตอนนี้นายยังจะใช้เวทมนต์อีกแต่ว่าพอได้แล้วนายไม่ต้องมาทํางานที่นี่อีกแล้วนะแต่ว่าครอบครัวของผมเลยครับพวกเขาจะกินอะไรนายเป็นพอบบน่อมดฉัน่านดาว่านายคงจะหางานอื่นได้สบายอยู่แล้วก็ได้อย่างที่คุณบอกผมไม่อยากทํางานโง่ๆนี้อีกแล้ว ผมหางานอื่นได้ดีกว่านี้พูดจบทอมก็เก็บกระเป๋าแล้วเดินออกมาไม่กี่วันผ่านไปทอมพยายามหางานอย่างหนักแต่เรื่องที่เขาเป็นพ่อมดได้แพร่กระจายไปทั่วทำให้ไม่มีใครอยากรับเขาทำงานเลยทอมตกต่ําอย่างมากเขาไปที่ทุ่งนาในคืนนั้นและเรียกเยเลอรี่สีเหลืองออกมาเยเลี่สีเหลืองนายอยู่ไหนเพื่อนข้าท่านใดนั้น เขาก็รู้ว่าเยเลอรี่ยืนอยู่ข้างหลังเขาทําประหลาดใจเล็กน้อยที่เห็นเขามีหนวดฉันจะไม่ได้เลยว่านายมีหนวดเคขาด้วย อ, อ, อ, อ๋อฉันคือก็อย่างที่นายเห็นนัน่นแหละคือเอไม่เป็นไรฟังก่อนนะฉันมีเรื่องอยากให้ในายช่วยช่วยอะไรฉันช่วยนายไปแล้วตอนนั้นน้ยไม่มีความสุขหรอสุขอะไรกันเล่าฉันถูกไล่ออกจากฟาร์มเพราะพวกเขาคิดว่าฉันเป็นพ่อหมด และตอนนี้ทั้งเมืองก็คิดว่าฉันเป็นพ่อมดอีกนะไม่มีใครรับฉันทำงานฉันจะทำยังไงดีล่ะช่วยฉันด้วยสิเยเลอรี่นายอยากให้ฉันช่วยอะไรล่ะก็ยกเลิกเรื่อง้งหมดนี่ฉันอยากได้ชีวิตฉันคืนฉันจะทำงานอย่างหนักและเก็บเงินให้เหมือนทุกคนฉันอยากให้คนรู้จักฉันในฐานะทอมไทเวอร์คนงานในฟาร์มแมกโดนัลไม่ใช่พ่อมดได้โปรดนะเยลรี่ได้โปรด แน่ใจนะเพราะฉันจะทำให้สิ่งที่ยกเลิกไปแล้วกลับมาไม่ได้เอาเลยฉันแน่ใจแล้วก็ได้อย่างที่นายต้องการเยลลี่ดีดนิ้วของเขาและยิ้มออกมาเรียบร้อยแล้วอะไรนะเรียบร้อยแล้วเหรอคนจะเกิดขึ้นทันทีไม่มีใครจำได้แล้วว่านายทำอะไรที่ห้องครัวผู้คนจะลืมเลือกทั้งหมดที่นายเป็นพ่อมดจริงๆใช่ไหมใช่แล้ว แล้วคุณแมคโดนัล์จะลืมเรื่องที่เขาไล่ฉันออกไหมล่ะแน่นอนโอ้ฉันว่าแล้วนายต้องช่วยได้ขอบคุณมากนะเด l ล, ลี่ฉันไปก่อนนะบายแล้วนายจะไปไหนไปหาคุณแมคโดนัล์แล้วกลับไปดูว่าฉันยังมีงานทำแล้วแต่ว่านายควรเชื่อฉันฉันเชื่อแต่ว่าขอตัวก่อนนะเพื่อนยากิ๊กแม c กับชีสทอดไซสพิเศษ ทอมมาถึงฟา ร, ร์มของคุณแมกโดนลและเคาะประตูบ้านเขาคุณแม็โดนได้เปิดประตูออกมาเขาดูประมาาเล็กน้อยเ อ, อเ อ, อนี่เออทอมนายมาทำอะไรที่นี่เนี่เออคุณครับผมสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดแล้วสัญญาว่าจะไม่ขี้เกียจอีกให้ผมกลับมาทำงานเถอะนะครับกลับมาทางานเหรอ นี่นายพูดเรื่องอะไรอ๋อโอเคงั้นแปลว่ามันได้ผลจริงๆงเออเออคื อ, อโทษทีนะครับผมฝันเรื่องบ้าๆนะ่ะแล้วเจอกันพวก่งนี้นะครับบายอ่อบายบายพ่อนุม่มตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทอมก็ทำงานอย่างหนักเหมือนกับคนอื่นๆเขาตระหนักได้ว่าเราไม่ควรพึ่งพาคนอื่น เพื่อให้งานของตัวเองสำเร็จและสำหรับคุณแมคโดนลเขามีความสุขมากที่ได้สอนบทเรียนที่มีค่าให้กับทอม